เทศอบรมพระวันที่9เมษายน 2,522 เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ปลุกใจดีมากแต่สั้นเทศความมักน้อยตัดความพรุงพรังได้ดีไม่กังวลพูดเรื่องอาจารย์มั่น สีพระเรื่องฉันช้อนแบบขุนนางนั่นคือพระลืมตัวให้ระวังเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอาศัยถ้าเผลอตัวสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพิษแก่ธรรมภายในใจตอนพูดในกันหน้าเอเกี่ยวกับอาจารย์มั่นเล่าเรื่องเทวดามาฟังเทศท่านและเวลาท่านป่วยป่วยหนักแล้วก็ย้อนมาเตือนพระให้เข้มแข็ง ในมัชชิมาปฏิปทาถ้าว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยนั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าและสาวกผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้พูดไปแต่เป็นคำพูดของคนมืดบอดเพราะกิเลสเต็มหัวใจนำออกมาพูดขายโง่ตนต่างหากกันนี้ทั้งเทศและพูดปลุกใจดีมากไปตลอด อัดให้ใครก็ได้ไม่ดิ้นโดยวิยาแสดงออกของความดิ้นรนทั้งลกแสดงให้เห็นถึงนั้นสิ่งนี้ความมักน้อยเนี่ยสำคัญเป็นสิ่งที่ตัดความปรุงตรนตัดความหัวใจอะไรออกได้หมด เพราะกรรมฐานไปไหนจึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังหือฐานแปดสิ่งที่เรียกร่าฐานแปดก็คือการน้ำผงมุ่งผงกรดนานนั้นเ็าไปได้สบายสบายไม่เห็นมีอะไรไปอยู่ที่ไหนแล้วก็สบายแพอจะไปก็จับของสิ่งางานนั้นแ่ะจับของมีสีบาดมีตูมบาดปั๊บเต็มบาทพอดีสะพายเลย เพาันพักกรรฐานเป็นบาดใหญ่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเนี้ยพักกรรมฐานนี่เป็นพผู้น้อยสุดโดดทำไมต้องมีบาดให่ที่ไหนเขาไม่เข้าใจความหมายพักกรรมฐานทำไมทําบานใหญ่คือจะอาหารมากๆมาฉันแต่เป็ น, ป บ, านาบาใดหาาาบาใหญ่นั้นใช้แทนกระเป๋าเดินทางถ้าบาดดุกเล็กๆหนึ่งใส่สังกาติดตัวเดียวก็หมดแล้วที่นี้ของนั่นจะเอาใส่ที่ไหนไม่มีที่ใส่ เนื้อบาดใหญ่ก็มุ้งก็ลงที่นั่นทั้งาตีก็ลงที่นั่นนีโคมไฟก็ลงที่นั่นพอดีเต็น่มีบ้านพ่อหลววก็ลงที่นั่นะพายพอดีเลยหนักก็พอดีไม่หนักมากกดก็แบากวาบาปก็พายกว่ายากเล็กเล็กนึง ใส่ทั้งบาล ย, ย็งได้ไม่ยากอะไรไปที่ไหนครัาถูกสบายมองดูตั้งแต่ร่มไม้ชาเขาที่ไหนสะดอกสบายในการบำเพ็ญธรรมไม่ได้มองดูเรื่องโลกื่องสงสารื่องวัตถุสิ่งของเองินทองซึ่งที่เป็นการพ่อคูณทิ่ขึ้นไปใน จ, ใจิตใจที่ไหนก็มองหาตั้งแต่เรื่องําระกิเลสอย่างเดียวหูฟังก็ฟังเพืนอธรรมะกิเลส ตาดูก็ดูเพื่อชำระกิเลสอะไรสัมผัสสัมพันธ์ต่างตาหูจมูกรื่องกาใจนี้พิจารณามาเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสทั้งหมดแล้วเมืมีแต่การถอดถอนอย่างเดียวอย่างนั้นกิเลสมันจะยกกองทํามาจากไหนมันถึงจะหมดไม่ได้มาถูกฆ่าถูกทําลายถูกกําจัดปัดเป่าไม่ได้ส่งเสริมมันให้แตกลูกเต้าหลานเลินลงมามันจะมีพืชมีพันธ์มาจากไหนก็หมดไปหมดไปหมดไป ผลทุกท่ากับเครียงภายในจิตใจไม่มีเหนือเพราะอุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระโพธิเจ้าเป็นทุดงที่สิบสามมีข้อใดบ้างที่จะเป็นเครื่องส่งสเสริมวิริย์นอกจะเป็นเครื่องปราบวิริย์เท่านั้นไม่มีทุดงข้อใที่เป็นเครื่องส่งสเสริมวิริย์ ลงในบาทอวันนี้อะไรอะไรก็ลงในบาทหมดพระพุทธเจ้าทรงดาเนินมาแล้วสาวทั้งหลายดําเนินมาอย่างนั้นกันทั้งนั้นไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาทสําหรับพระบาทนี้เหมาะสมที่สุดเป็นภาชนะทันเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับพระ <c oughs> เหตุผลที่เอาเคาะฟังในบาทนั่นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งท้งที่เราจะได้พิจารณาเรื่องอาหเรื่องธรรเวลาอยู่ภายนอกอยู่ถ้วยนันจานนี้อาหารชนิดนั้นน้ำชนินี้สีเป็นอย่างหนึ่งกิ่นเป็นอย่างกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งรสเป็นอย่างหนึ่เนงเวลามผสมเสมกั น, นะ น, น, น, นแล้วเป็นอย่างไรลออพิจารณาคุกเท่ากันเข้าในบาทแล้วเป็นอย่างไรเทียบนี่เราฉันไม่เพื่อให้เกิดกิริเลยไม่ให้ ฉันแบบดิ้นยาวท้องโตแล้วฉันแบบพอเป็นไปได้เท่านั้นเพราะการควบคานฉันนะถ้าเป็นลักษณะรื้อตัวครับผมดูไม่ได้นะเตือเมื่อสองสามวันนี้ก็บุกพูดจนได้ดุคน ม, มากเขาต้องดุเพราะไม่ฟังความหมายของเราเลยเราพูดเรามีความหมายทุกอย่างจาับถ้วยเสร็แล้วท่องมาแจ้งไปแล้วแล้วก็ซดไป ไมอะไรตัวอะไรลืมพลังลืมไปหมดลิ้นนะ่ะเหยียบทำแหลกหมดไม่รู้สึกตัวเลยถ้าใครเอาเอาสแก้กไปสเี่ยมันเทสแก้กนนี้ก็ดื่มๆไปเลยทางยางนั้นตองการอย่างนั้นใจด้วยแล้วก็สดนั่นสดนี่สดซ้ายสดขวาเราไม่ได้เลยเคยลืมนะพ่อแม่โคจรมัน่นหาอบายตีหนะ้าผาครบ โดยโยกเราเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในการแสดงธรรมนู่นนี่การปีนเขาผาพระองค์มันดือด้อด้านไดน้มันมีพระองค์มันดื้อด้านมั น, มนองค์นั่งอยู่ต่อหน้าทถนนคอยเช็ดบ่าดล่างบาดแล้วผาองค์นั่นอยู่แล้วก็ซดอยู่ต่อหน้าแต่ตาขวางตาถนนเห็นอยู่เราก็เห็นอยู่ นี่ไม่ได้คุยไม่ทําเลยเพราะเห็นท่านทํายังไงแล้วเราดําเนินตามนั้นเพราะได้ยินชัดเจนด้วยการตั้งใจไปศึกษากับท่านท่านเคยพูดท่านันไม่ฉันยิงช้อนเห็นมันท่านดอะไรตอนแก่ชร า, าจริจริงไปไม่ได้จะทําไงเขาก็รู้ถึงท่านถึงได้ซดซ้อ น, อนคือท่านพูดด้วยนะ ไ, ไม่ทราบมันเป็นยังไงท่านบอก ถ้าดูทำธรรมดาลแล้วก็หมินม่น่าจะขัดทำหลักทำหลักวิ น, นัยอะไรเลยแต่แว่ากำหนดถึงเรื่องชวนดึงสดนิ่มไมทราบเป็มันขวางจิตทันทีทันวันะวนั่นเาะฉะนันนี่จึงไม่ทําะขวางจิตท่านจันมัน่นกับขวางจิตคนมีกิเลสทั้งหลายเป็นยังไงหว่าขวางจิตท่านจันมันกับมันล่องรื่นของ คนมีกิเลสมันเป็นไงผมมีกิเลสชอบชอบนั้นอาหาอะไรอร่อ ย, ออ ย, ทยทเท่าไรด้วยจดจ้าจดขวาฝุ่มเฟืยมากอะไรจนลืมเมื่อลื ม, ลมตัวนั่นชอบนั่นคนมีกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้านอาจารย์มั่นไม่ใช่คนประเภทนั้นเวลาพูดอะไรออกมามันจริงเป็นที่จับใจที่สุดซึง่งอยึดอะไรต่างนั้นชัดของลงในบาศ เอาช้อนลงไปตับในบาตชัดขึ้นมาแบบขุนนางนี่อังไรอยี้ชั้นแบบขุนนา ง, งไม่ใช่แบบเห็นไผ่ในวัตถุสงศารไม่ใช่แบบเห็นไผ่ในก้เลยอันแบบ่งเสริมกิเลสแบบดืมเนื้อดื่มตัวแบบขุนนางคือแบบดืมตัวเหล่านี้จําได้ไม่ไม่ได้สนะ อ, อนนั่นนั้นตั้งแต่บัดนั้นเราได้เห็เนื้อไม่ไม่ไมออกมาเข้าจริง เวลาปฏิบัติอยู่กับท่านมันถึงใจหาอุบายอีกด้วยเวลาเราไปเที่ยที่นั่นที่นี่เพราะก่อนไปแล้วก็ไปการกากในพิธีการลาท่านทุกอย่างท่านเห็นพร้อมแล้วเราถึงไปไม่ใช่ไปแบบดื้อด้านหารธรรมด้วยความมืดดำคำถามตัวเอง หลายหายญาติเรี้แล้วก็ไปทํานานนานวันร่วงเก้าวันสิบวันไปแล้วไม่เห็นมามันจะถามนะม้าไม่เห็นมาวะถ้าจะถามถึงม้ถามต่อดม้าทุกข์ข้าจะขอเหยีนะถึงแมเคยมาไม่เห็นมาว่ะม้าทุกค่าจะปล่อยนะทั้งทั้งที่ท่านก็ทราบได้ดีแล้วว่ะเราไม่เคยทำเลย ของทุกสิ่งเราเข้าในบาทหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาชนะทะหนไหนเหลยดังนั้นในนี้นั่นจะใ ส, ะส่นี้นจใส่เวลาเรใส่ในบาดเสร็จแล้วเท่า น, นั้นเองท่านก็เห็นชัดๆนั่งโมหังกอลจันมั่นแล้วอยู่กับท่านมากี่ปีคุณท่านจะมอชัดได้ไหมตาขนาดท่านจันมัน่นใจขนาดท่านจนมัน่นทำไมจะไม่เห็ แต่เห็นได้ท่านมีผู้หลงห้าตัวจ้าจะกลอยอย่างไรไต่เน่หาหักผมท่านเรียนนารูมีว่เราไม่ทํา่านมีนนความจงรักภักดีต่อท่านขนาดไหนท่านทราบนี่นมันระวงังเรื่องการลืมเลือนตัวไม่ใช่คองดีไม่สมกับผู้เมาคือปฏิบัติ แล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปเถอะอันลิ้นอันท้องนั่นแหะขอให้เล็้ยงทำเสมออย่าไปเล็งลิ้นเล็งปากอยไปเห็น่อเหงื่อเหงื่อปากเห็งื่อความอาเด็ดอร่อยอนี่คือคือความลืมตัวความประมาททานลงไปแล้วมันก็แค่ลิ้นเองอร่อยก็อยู่แค่ลิ้นนี้มันอยู่ที่ไหนเคี้ยวเคี้ยวคืนลงไปแล้วลงไปถึงล้นแล้วมันปรากฏว่ามีรสชาติอะไรหรือไมงมีอะไร แล้วก็ไปดึของปฏิพูลโสโคกด้วยกันอยู่ในท้อง่องเรามันมีอะไรเป็นพิเศษมไม่เห็นมีนี่เป็นพุงหวานนี่เป็นพุงคาวนี่เป็นพุงแจงนี่เป็นพุงผักไม่เห็นว่าไงไม่มีห้องมีหักด้วยถ้าพูดห้องหักก็ดีแต่ว่ามีพุงหลายพุงก็พว่จะใส่นุ่นใส่นี้หลายอย่างหลายประการคนเละแหนะมูลคนละสัตว์ละส่วนอันนี้ไม่มีมั่อลงประทันมันก็เป็นอันเดียวกัน เราอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้าอะไรนั่งหาลืมเนื้อลืมตัวพิจ น, นาไม่เห็นอาจเห็นทมอาหารชนิดใดลงมาเข้ามาพักคลุกเคล้ากันกับของโปรกโปกตั บ, บ, บ, บตั้งแต่น้ําลายอยู่ในป่าเท่านั้นเนี่ยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรดีเลยเราต้องคิดถึงเรื่องน้ําลายเนี่ยมันก็จะคืนไม่ลงนช่ว่าอย่างนี้เราไม่ได้คิดมันคลุกเคล้าวกันกับ อาหารนั้นเราก็ไม่คิดถือว่าเป็นความอร่อยอร่อยถ้ามีน้ำลายไม่มีน้ำลายไม่อร่อยไปเสียไนทำมาอยู่ข้างนอกเวลาเอาเข้ามาอยู่ในบาทนั้นซึ่งไม่มีอะไรตกกระปรเลยทำไมจึงจะเป็นบ้า ต, ตื่นไปอย่างนั้นต้องฝึกต้องดัดจิตไม่ได้ไม่ดัดไม่ได้เอาให้เอาให้แข็งแกร่งเก่ยวเราจะไป อารมณ์ตามมันเนาะเคยก็อารมณ์ตามมันมาพอแล้วไม่ใช่เคยอารมณตามมันนะไม่อารมณ์คือคล้อยตามมันหลงตามมันมานานแล้วถ้าอารมณ์ตามมันก็แบบเรามีดีกรีอยู่แล้วฮะมันมาขออันนี้ขออันนี้กอบแบกให้มันบ้างเรามันใหญ่กว่ามันแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์อันนี้ไม่อารมณ์ผมงจมจมูกจมูกขาดหนึ่งถ้าว่าเป็นแบบ ดูงสัตว์มาละหรือพิเรตูงคนต้อหนักในธรรมต้องเหมือนผู้ปฏิบัติมีอะไรก็วาดมันลงไปแล้วมันเรียวมุดไปเลยฉันพอยังชีวิตมันเป็นไปทานั้นอะไรมุงอะไรพอฉันเมื่อวานมาแล้วกับวันนี้มันต่างกันอะไรมันก็เท่าเดิมออืฉันมาแล้วตั้งแต่วันบวชกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิด อาหารชนิดใดชนิดใดก็เคยผ่านคิวฮาร์ประสาทเข้าไปในท้องในปากทานออก ไ, ไปไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันมีเศษวิสถ้าไม่ไม่มีทาําให้มีเศษสิ่งอหล่านี้มันวิเศษเป็นไม่ได้มันก็เหมือนกับโรคที่เขารับทานกันเราคิดอย่างนั้นอะไรที่เกิดเป็นสาระคุณจากการบปฏิบัติจากการขบขันฉันให้นํามาพินิจพิจารณานไม่ลืมไม่ลืมตัวใน เวลาหนึ่งก็มาลืมตัวในเวลานึ่งิดในเวลาโคบชันถูกลดเหยียบย่ําทําลายซะจนแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องทาดเรื่องขันเรื่องความอยากมันเป็นมันเป็นของมันอย่างนั้นขนาดที่ทาดขันมันกำลังเร่งมันก็มีแล้วก็เคยเป็นแล้วขนาดชันลงไปจนเต็มท้องหาที่มันจุบไม่ได้ทั้งปากมันอยากแต่พระตะคือไม่มีความอิ่มพอเอาผลที่สุดเอาข้าวเปล่ามาฉันมันหวานไปเลยอีกะ นี่เรื่องธาตุเรื่องขันเป็นนี่แต่จิตใจปเป็นอันหนึ่งที่ต้อบังคับนะอันนี้ก็เราก็เคยได้ทาและเคยไปพูดเนระื่อหมุนตัวังที่เหตุที่จะดัดเจ้าของมเห็นรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบากันก็เพราะตอนที่ธาตุขันมันกําลังรุนแรงฉันก็เจ้าซะด้วยนะเจ้ามันไม่เคยอยู่ท้องนานแหละเพราะเราไม่เคยถ้าเคยก็ไม่เป็นไรอยู่โคราช วาธาช้างว่ากรรมฐานาลงไปเรื่อยๆก็ไปอยู่ท่านว่าธาช้างเลยขันอะไรมันก็ไม่อิ่มมันเจมกระทั่งลาคานนะเราไปดีเพราะเรามุ่งทำนี่แต่ธาตุขันมันไม่ได้สนใจกับอัดกับทำอะไรกับเราลิ่นปากไม่สนใจอัดทำอะไรรามันมีแต่จะเอาธาตุอยู่ขันลงไปเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอไม่อิม่มเอาไม่อิ่มมันเป็นไงอาฝ้ามันลงไปเอาไม่ดิจนกระทั่งไม่มีใส่ เราคิดว่ามันเต็มอัดกันเลยขนาดนั้นหนเหมือนว่าอัดลงไปเลยแล้วมันยังไมาหยุดความหิวความอยากยั้งอยา ก, อยากเอาเข้าเปล่ามาฉันมันก็หวานไปเลยเอย๊มันทํำไมยังเป็นแบบนี้วะน่าลำํำพังนะแล้วออกจากนั้นก็นไปล้างบาตเห็นล้างบาตกลับมาเช็ดบาตยังไม่ได้เข้าถลกหิวข้าวอีกแล้วเฮ้ยมันทำไมันเป็นแบบนี้วะนี่นะต้นเหตุจะดัดกันนะ ก็ให้กินมาเมื่อสักครู่นี้แท้ๆวะมันยังไม่ถึงสามสนาทีเลยอิ่มออกมาอันี่มาล้างบาดเจ็บบาดยังไม่ได้เข้าถะลกเลยทําไมถึงอยากย่างตั้งแต่นี้ไปถึงอันพวกนีชามเขายบสี่ชั่วโมงมันทําไมมันเก่งนักหรือว่าร่องดูมันจะตายจริงๆหรือเปล่าไม่ได้กินมันจะตายมันก็จะลองรักหกเจ็ดวัน่ะเอาเลยอ่ะทีนี้ตัดหนึ่งตัดสิ้นใจปุ๊บลงไปมันตาก็ตายนั่นช่วงเจ็ดวันนี้มันจะตายเพราะไม่กินข้าวห้เหิวกะทีว่ะจะทดลองดูอห้ดูความหนักเบาของทาของขันมันจะไป เป็ไปขนาดไหนก็หยุดกึกเล ย, เยไม่เอาจนกรตั้งถึงกําหงขึ้นมาครั้งนี้นมันไม่เห็นตายนะเนี่ยหลังนั้นมาก็พอฟัดพอเหี่ยงถึงจะหิวจะอะไรท่าขันมันจะดื่มอยู่อย่างที่ด่างเดิมประทานที่นี้จิตใจก็ปล่อยกังวลได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้ว น, นี้มันเป็นเรื่องของท่าของขันมันกําลังดืดดง่มๆจ น, นอย่างนัง้นอ่งนั้น เราอดแล้วเท่านั้นวันทถานี้วันเราไม่เห็นตายเนี่ยคือพูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นหิวเอานักเอาหนาอวันหนึ่งสองวันมันหิวมากพอจากนั้นไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปจนกระทั่งถึงกําหนดวันฉันมันก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรพอที่จะให้ล้มให้ตายอันนี้เราฉันกันให้มันอยู่ทุกวันทุกวันแล้วฉันขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ให้มันตายเลยมันนี่คงหมดกังวลนี่เป็นคติอันหนึ่ง ยังได้นํามาพูดให้หมุนกล้วนกางไม่ใช่คุยพูดให้เป็นคติเพราะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ดําเนินมาก่อนรู้เรื่องรู้ ร, ร, าราวดังนั้นอ่างไรก็ขอให้มุ่งหลักมุ่งทำเป็นสาคัญให้ฝังอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจอย่าให้เอเนเอียงสิ่งภายนอกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องถาดเบื้องขันให้เป็นอันหนึ่งอย่าให้ถือสิ่งนั้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมจิตใจจะค่อยเป็นไปอย่าให้จหมวัดปวดขันสิ่งใดที่จิตชอบ เก้าสิบเก้าเปเซ็นต์เปทธ์ถ้าเป็นจิตแล้วธรรมดามันจะชอบมีสิ่ที่ตนพอแต่ถ้าจิตมีธรรมขึ้นเป็นอกรมณ์นั้นมันมีชอบหลายด้านหันหมุนเข้ามาชอบในธรรมภายนอกมันชำระไม่ได้ขนาดไหนมันก็มีลักษณะชอบแต่มันก็รู้สึกตัวแล้วมันพยายามแก้ไขกันไปโดยลำหนักจนกระทั่งความชอบในเรื่องหยาบเรื่องโลกเรืสงสารมันจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งความรู้ ชอบทั้งหลายหมุนไปทางธรรมะล้วนๆตรงนั้นมันก็สบายแรงของโลกมันไม่ดึงดูดจิตใจได้มีแต่จิตใจดึงดูดกับทำหมุนกันไปเลยพ ย, ยายามตั้งตั้งใจปูบทใหม่บทเกา่าจิตไม่เป็นใหม่เป็นเกาเ่าเป็นตัวดื้อด้านอยู่เหมือนๆกันหมดนั่นแหละ เราจะหวังเอกความงามความดีเอาอความเป็นสิริมคงคลเอาความสุกความเจริญจากใจของเราเวลานี้ใจของเรามันเป็นเพื่อยพิษด้วยภัยจริต้อ ง, องชำะระซักพ้อฝึกฝนปรมานักบ้างเบาบ้างเราก็ทนเพราะเราทําเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความสุกความจเจริญโดยถูกทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในบรรดาการปฏิบัติทั้งเราที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้วสุกต้นหนังสมองอย่าทําความอดแอ จิตมันทึงมีเรื่องที่จะสดงอรงมาทานนั้นทานนี้่ะกลมายาของกิเลสหลอกเราให้เถื่อไปจนได้แหละหลักใจเป็นสาคัญตั้งหลักใจให้ดีการพูดปฏิบัติยา ย, ย่อดย่อนก่อนกำลังไม่เปิดผลอะไรดีขึ้นไหมีผลเสียหายแล้วจะตามมามีความเข้มแข็ง เ, เรืลําำดับลำดับ เหมือนเด็กผู้ผัดเดินผู้ผัดไปนาพนันข้าวเด็กก็เดินได้ชำ น, น, น, นิชานาญนี่เอาให้มันมีความทชำนี้ชำ น, นาญนี่ถือพี่เล็กทั้งทั้งมวลนั้นเป็นค่าฝึก ต, ต่อต่อธรรมหรือเป็นค่าฝึกตอ่อใจยอย่างมันจะอยากขนาดไหนอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังขนาดไหนให้ทราบวันมีความอย่างนี้คือความกําเริดของพิเล็กพี่เล็กําลังกําเนิดเวลานี้ให้ชักให้เข้าใจอย่างนั้น เราอยากไปคล้อยตามมันทีเดียวนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติแล้วต้องเป็นอย่างนี้หมายมันมีความอยากมันเป็นเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องทางโลกทางรงสารทางตาทางหูทางจมกูกให้ทราบว่า น, นี่กิเลสกําลังกําเนิดอยากออกไปทางหูทางตาทางจมกูกกำเนิดแล้วเราจะหายาอะไรเป็นเครื่อง ย, ยายารักษาหรือหาสิ่งใดมาปราบมาทรมานเข อย่ังนี้อถูกต้งพากันตันต์ไปปฏิบัติลงแค่คนแล้วเดี๋ยวกรรมฐ า, านเราจะไม่มีต่อไปแล้วจะมีแต่ชื่อนะกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านเพราะโลกามิสิทธ์มันทำลายนัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าหากว่านี้พิจิรณาไม่เข้มงวดกัดขันจริงก็ล้มละนาไปได้ไม่เคยมคคม ไ, ไม่ต้องสงสัย ทิศของสมมุตินิยมอำนาจของสมมตินิยมมันเหยียดย่นทำลายไปได้หมดทุกชาตนะิทุกวรรณะทุกเทศทุกวัยถ้าว่ามีทำเป็นเครื่องป้องความเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วมันก็เหมือนคนเป็นโรคไม่มียารักษาไ ม, ไม่มียาป้องกันตัวเหมือนกันเลยมีเรามีทั้งเครื่องป้องกันตัวพยายามพิจารณาทั้งด้านป้องกันตัวทั้งด้านพิยาแก้ไขถอนถอนฝุ่ฝนเธอรมาน หรือทรมานกี่เลยแต่มันหมดมันสิ้นไปโดยลําดับอย่าลดละความภาคเพียงอย่า ท, ทอดแผลนนั้นไม่ใช่ธรรของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดความต่อแท้อดแอะขึ้นมาให้คํานึงถึงวุ่นเจ้าซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ะฟังสิกษัตริย์ทรงผนวดทอบร่มแทดแทดร่มแทบตายใครจะห น, นักใครจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทําเป็นตัวอย่างมาแล้ว ไม่ได้ตรัสนได้ตรัรู้ตรัสรู้ก็ในความเข้มแข็งความเอาจริงออกจากความสลับเป็นแก่ตายของพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอยึดมาเป็นหลักทั้งแนวทางด้วยยึดมาเป็นหลักใจทั้งคําว่าพุทธะนั้นด้วยเป็นหลักใจหลายด้านแล้วทางช่วยตัวเองต้องหาบายวิธีแก้ไขหาวิธีช่วยด้วยสติปัญญาไม่งั้นไม่ทันกิเลสนะกิเลสมันหมุนตัวรอบด้านปัญญาเราไม่หมุน มันทันที่เหลือได้อย่างไรเดียเย๋ยวมันกเหยียบเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกไปจิตใจติดมีสิ่งเป็นพิษเป็นภัยฝังจมอยู่ภายในตัวแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะอยู่สถานที่นะ่ะอยู่สถานทนี่เพราะอาหารประเภทนะั้นเพราะปัจจัยแบบ ทายาทานตะเพื่นี่ที่มาพ่อพูนถุงเสริมมีความถุกความสบายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดร้อยว่าเเ็หันหลังให้ทำอันใดเวลานี้ที่มาเกอะของทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ข้าวก็ฉันอิ่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างชื่อพื้นชีวาปัจจัยเครื่องบำรุงของธรรนั้นไม่มีขาดตบกบกพร่องแต่เหตุได้จิตใจหาความสุขไม่ได้เป็นเพราะอะ ก็เป็นพวกคฤเลชนั่นเองเป็นผู้ยุ่ผู้ยั่วผู้แย่ yeah. ทิ่มแทงอยู่ทุกแหน่ทุกมุมขึ้นท้องนั้นขึ้นท้องนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันใดที่จะแสน ง, งอนอยิ่งกว่าคิเดชนี่อ่ะก่อให้เกิดความทุกข์ความลําบากแก่เราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทษของคฤห์เดชว่ามันเป็นอย่างนี้และหาอุบายฝึกฝนอบรมหรือทรมาน ให้ทันกับคนมายาของมันด้วยสติปัญญาของเราอย่าอยู่เฉยๆหัดคิดหัดพิ้นิพุทธนาแทรกันเข้าน้ําปักน้ําปักน้ํายอกเอาบ่งเอาน้ําบ่งแทรกไปมันขึ้นมาเย่างนี้อะไรพริกเนี่ ย, น, ยนั่นออกมาพี่ขาดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญามันหาต้องใจนี่ชื่อว่าผูดปฏิบัติเราจะเห็นอันใดในโลกนี้มาประเสริฐยิ่งกว่าธรรมประเสริฐยิ่งกว่าใจที่สิ้นสุด จากกิเลยหรือหมดซึ่งจากกิเลสด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยทรมานของเร า, าเราถือ ง, งานอันนี้เป็นงานหนักแน่นถือ ง, งา น, อนนี้เป็นงานชีวิตจิตใจของเรางานเพิ่งเป็นตพิงตายผลก็ได้เป็นที่เพิ่งเป็นตพิตายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใจสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าหันเหจิตใจไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นพืนเป็นไฟเราเคยคิดเคยตรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วจริงแต่ในโลกนี้มันไม่มันมีทั่วทั่วไปมัไม่บกพร่องในการรู้การเห็น ้าเมื่อตาดีหูดีแล้วผลประโยชน์ได้มามีอะไรบ้างเอามาเทียบเคียงีินักปฏิบัติต้องเอามาเทียบเคียงคลี่คลายดูความหนักเบาโทษคุณของมันเป็นยังไงแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงนึกคิด ต, ตัวออกได้ด้วยอุบายต่างๆของเราที่คิดอยู่นี้เป็นประโยชน์แก่เราหงงมุนไปโดยลำพักการปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ตาม ผู้มีความเพียรด้วยสตินั่นแหละคือผู้มีที่พึ่งบริจาค่านก็แสดงไว้ด้วยความที่ดูทั้งหลายเธอจงอยู่ให้มีที่พึ่งนะอย่าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ยาอยู่แบบคนสิ้นท่าอย่าอยู่แบบคนจนกรอกจนมุมไม่สอดเสียงหาทางออกอย่าอยู่แบบหมูคึ้นเขียงฟังเลยแล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบตรงกันข้ามแบบฟิตเสมอ ผิดเสมอชนไม่ถอยสู้ไม่ถอยขุดค้นก็ไม่ถอยทรมานไม่ถอยตกต่อยไม่ถอยเอา้าสติปัญญาเรามีในด้านใดสู้ไปทุกระยะทุกด้านนั่นไม่เงียานักรบลูกศิษย์สถาก็ต้องเป็นอย่างนั้สิ่งที่เ ร, จร า, า จ, รจะเป็นที่ภูมิใจที่สุดก็คือจิตที่มีสติมีปัญญามีความเพียรขึ้นคุ้มครองรักษา ทรงดอกทรงผลขึ้นมาที่ไหนเป็นความสงบอย่างน้อยสงบภายในจิตใจเย็ยนใจอันนั้นก็มีความแยกคายออกไปโดยลําดับดจิตใจเมื่อออกสู่ปัญญาแล้วย่อมแยกคายสติปัญญาเขาขยายตัวไปขยายตัวไปคลี่คายเห็นจิเลตเป็นขั้นขั้นเป็นตันตอนเห็นทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับๆจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเปียนเป็นเครื่องหนุหลังอ ปัญญาอธิบายมันพูดทางส่วนบท น, นิพพานค ป, ปมาเผาตัวสมุดมาฟังตนติดชินชินปากพูดชินปากฟังชินหูแต่ใจมันด้านมันถึงไม่ซึ้งในสมุทยัยพระสมุทัยคืออะไรก็คือหอกคือเหล้าทิ่มแทงหัวใจเรานั่นแหละ ถ้าเราพิจาราอย่างนี้เราก็เห็นโทษของสมูไทยแปลว่าแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์ลึกธรรมชาติที่ผลิดทุกข์นะีขึ้นมาที่ใจนะั่นแหละมาไม่มีมี ส, มสติถ้าถึงกำลังไม่พอมนก็เป็นเหตุที่จะได้รู้กำลังไม่พอ นี่ก็คือจิตจะแยบไปหามันขอยรู้เรื่องของมันเพราะมันกําลังมากกว่าเราและที่จะแยบไปก็เพราะอํานาจของสติดไม่พอการแยบออกไปของจิตเมื่อไปเจอสิ่งที่มันแยกออกไปแล้วเปจอด้วยความสําคัญของตัวเองนะส่วนรูปเสียงกลิ่นรถที่จะเป็นสิ่งที่อยสัมผัสทางตาทางหูมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ทํามารมนี่มันก็พลาดอยางน เจอแล้วแก้แกไม่จบแก้ว่ากำลังไม่พอที่จะคิดออกไปนี้กําลังสติไม่พอมันเป็นคิดไปได้นะอยู่ด้วยความภาคภูมิใจเวลามาพิจารณาถึงเรื่องความเปลี่ยนเรื่องของให้ด้วภาคภูมิใจใพยายามระมัดระวังรักษาเหมือนเวลานี้เราเป็นนักโทษทีเดียวถูกกิเลสหยามย่ำทำลายถูกกิเลสข่ม กขีขคมเห็นทุกด้านทุกทางไม่มีการสถานที่เวลาําเวลาอิเดียบังอยู่ในหัวใจให้คิดให้ถึงใจนะ่งนี้ผู้ปฏิบัติต้องคิดสิงนี้ให้ถึงใจเสมอจะไปทำใจจุ ด, จ, ดจา ง, จางเฉยเฉยเม่อมอืไปกับสิ่งนี้ก็เท่ากับเปิดทางมั้นเข้ามาเผาหมดสมบัติทุกคนจะได้มักกดไม่ผ่าน เพิ่มเติมแต่สมาธิขึ้นไปาะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี่มันร้อนมันเข้าที่ตรงไหนมันเผาที่ตรงนั้นเหมือนกับแดดวันร้อนไฟวร้อนเผาตรงไหนมันแหลกไปหมดไม่แม้ว่าไม้สดไม้แห้งแม้แตะเหลด ม, มันละลายได้เพราะอำนาจแห่งความร้อนมันจิตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอน้องรับความรุมร้อน สิ้หายสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเกิดไม่ได้เพราะลิเหลดียมนเป็นเหมือนไฟเอาเผาผลาญอยู่ตลรดเวลาถ้าเจ้าของเผอได้ระมัดระวังมันต้องให้ถือว่าเรานี่แหละผู้หนึ่งว่างันหนึ่งที่จะเป็นผู้สามารถที่จะเพิ่มทุนมรรคผลนิพานได้ด้พระพุทธเจ้าประทานทำไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วน แก่โรคเลื่อนมาจนมาสัมบัติหนึ่งผู้สนองควาเมตตาของพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปนุทุนานะสาิมีปฏิปนุสําหรับนักบวชเรานี่คือผู้เทิดทูนสมบัติของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเทิดทูนในฝ่ายเหตุอันี้ได้แล้วผลไม่ต้องผูกแตต้องตามมาตามสายเหตุตรง น, นี้ไม่หนีจากนี้ไปได้ ในโลกธรรมมาสู่ดังท่านแสดงไว้ในเมือตัวไทยนั่นก็ท่านแสดงเอาโลกธรรมาสู่มาแสดงแต่ท่านแสดงในภาพปฏิบตัติเพราะฉะนั้นจำถึงใจมากเขียนก็ไม่กเท่าไหร่นรนะมาเขียนนี่แหละมันก่อนทำให้รสชานเบาลงไปอาการหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนมีความตื้อต้นหนาบางขนาดไหนในทางความรู้ความฉลาดถึงจะ นาออกมาจากปากต่อปากต่อคำท่านัาเขียนใจมันก็ไม่ไม่ได้เป็นอย่างใจของท่งออานเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมมันถึงอ่อนมันไปโด้วยรดับนั้นแหละในโลกธรร ม, มนั้สู่ร ท, ท่านแสดงไว้ว่าโลกธรรมเป็นของมีอยู่ในโลกมาตั้งแต่มไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วไม่ควรตื่นเอีกตักวนึ้งจะไปตื่นเต้นเนะอเหอมกับใหม่ ทั้งดีทั้งชั่วเป็นของมีอยู่แล้วดังเดิมสอ น, อนในโลกธรรมะคุกผมดูไม่มีคาแปลแต่เข้าใจเพราะมันเกี่ยวกับบาลีที่เคยแปลมาแล้วพออ่านเข้าแปลมันเข้าใจไปตามทางรแล้วอย่าเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับธรมรมดาโลกธรรมนี้ไม่ว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยคนงูคนกระหล่ำจะ ต้องสัมผัสสัมพันธ์หรือจะต้องโดนโลกกระทำนี้จนได้หรือถูกโลกกระทำนี่มา โ, โ, โดนให้เซซัดปฏิเสธไ ป, ปจนได้เหมือ น, นถ้า ม, ม, มันยึดติดจะหลุดลงไปแล้ววันนี้ในบรรดาโลกขอืนเราที่เกิดมานี้ยังต้องกลโลกก ร, ร, ระทำอย่าไปหวั่นไหว ให้ถืออย่าถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายใน จ, จิตใจอย่าถือสิ่งใดให้หนักยิ่งกว่าธรรมถือเรากระเท้าพุทเป็นแบบเป็นฉบับเราเท้าพุทได้เคยกระทบกระทํามาอย่างแสนสาหัสมาแล้วแล้วได้ผ่านมาด้วยสติปัญญาของเราเองมาอย่างงู้ยถือเราเป็นแบบเป็นฉบับผู้เรียนมากเรียนน้อยอย่อมได้รับความกระทบกระเทือนจาก โลกธรรมคนโง่คนกละาษได้รับความทุกข์อันเพินมาต่ตางๆกันหมดแต่สำคัญพูดมีความสลาดหาอุบายแก้ไขได้จริงฮะยบเอาสถาคตเป็นกฎเป็นเกณฑ์ว่ทาทากฏเคยผ่านมาแล้วอย่างไรตัดพิจารณาเรื่องโลกธรรมนี่ยังไงมองดูเหล่าเหมือนกับมองดูถงชัยชนะนี่เป็นหลักใหญ่ที่ต้องสองนให้นักโลกธรรมแก่ มีลาบเสียงหยากมีรถเสียงรถท่านนั้นเนินทาสุขทุกข์แต่มาเสียไปมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกเป็นเรียกว่าโลกของธรรมมันไปเวียนนายไม่เห็นมีกีลังเท้าวอนใเลยทําให้ทำผิดให้รู้รอดอย่างนี้แล้วจิตก็จะเองไปตามความได้เองไปตามความเสียเองไปตามความได้ก็มาเจอของดีเองไปตามความเสียก็มาใจ่ของดีเอนไปตาม คำสอนสริก็ไม่ใช่ของดีเอกนประความยินทาก็ไม่ใช่งดีเป็นสิ่งที่ขาดทุนทั้งนั้นนี่ท่านจึงต้องตั้งหลักให้ตั้งเกณฑ์ให้ดีสติให้มั่นคงปัญญาิพิจารณาแยกแยะมันออกมันผ่านมาเพียงหนูทายตายิบยกบยิบยกบยิบยัถ้าจิตใจเป็นผู้มั่นคงมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่เก็บพิภัยเหล่านั้นไว้ด้วยธรรมรารมณ์ภายในจิตใจเผาตัวเอง ต่างไปคิดมีเหตุดยผลแก้ไขกันไปยลางรักธรรมศุทธิแสดนก็ยังท่านหมาขายถือคายเป็นหลักหลือพุทธธรรมสงฆ์ท้ายแล้วก็บอกถือแล้วก็ถากวดอ๋อเป็นแบบเป็นสบับเราได้กับพวกับะท่านมาแสนตาแล้ ว, ด, ลวดำเนินมาอย่างไงเราดำเนินมาอยังไงอันถือหลักนี่เราลัดชัยชนะ พ่อยหญ่ให่ให้เดินตามนอย่าหวันอย่าไว้พุทธธงรมธรรมฉันนักระชามีให้ถึงผิดทุกคนตั้งหน้าต่งตางๆาคือปฏิบัติอย่าอ่อนแอเรื่องความภาพเปลี่ยนไม่ว่าหน้าที่การงานใดให้เป็นไปด้วยความตรงใจความมีสติอยู่กับงานา น, นั้นๆสติก็อยู่กับตัวถึงแม้จะไม่ได้คิดพิจกนิดปดๆๆนาใน ทำสวยเกียรติกว่านั้นสติก็ไม่ปล่อยตัวเองอยู่นี่ก็อยู่มีสติขั้นหนึง่งเป็นธรรมขั้นนี่แหละธรรมขั้นเหล่านี้แหละที่เราพยายามนักษาเนี่ยจะรวงตัวเข้ามาเป็นพลังงานสาคัญจนกลายเป็นความมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างท่านว่ามหาสติหาปัญญาไปจางไหนถ้าไมาจา่จักไปจากโลกโลกผู้ขาดนี้ซึ่งฝึกแล้วฝึกเราฝึกไปฝึกมาก็มีความจะนิจสนานึกจนกลายเป็นสติปัญญาตโนมัญญญญญญ่ไปได้ได แล้วนามมาเคยปฏิบัติเคยพิจารณามาแล้วย้อนหลังตั้งแต่เริ่มผมไปปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงบางทีเกิดความน้อยอกน้อยใจน้ําตาลุ่มก็มีผมเคยเป็นมาแล้วยินงเลยฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านเหล่าวิธีกิตวิธีดําเนินสถานไปอยู่สถานที่ น, นั้นจิตเป็นอานั้นอยู่สถานที่นี้จิตเป็นอย่างนี้เล่าไปท่างหลายก็ ย, ยิ่งละเอียดล้ออกไปเรื่อยๆบางทีเข้าไปยู่ในห้องคุยกับท่านมีนีิสนุกอยู่ในห้อง ตามธรรมดาใครไม่เข้าในห้องอเขาได้เล้กท่านออกมารับเกียรตินอกนี่เข้าไปในห้องคุยยิ่งได้ฟังถนัดทัดละเอียดละออนแล้วรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าตอนนั้นจิตก็ยังไมไ่หลังได้เป็ียนอะไรท่านก็รู้สึกว่าท่านผู้ปลอบโยนได้ดีเหมือนกั น, นดีมากคุณสอนเด็กว่าเ่อท่านรู้หัวใจเรานี่ ถ้าเรามีความเครื่อความเลื่อมใสต่อท่านมากขนาดไหนมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมากขนาดไหนท่านก็รู้เรามุ่งมั่นจริงๆความเลื่อมใสต่อท่านเราเลื่อมใสจริงตามเต็มทุกสิ่งกำลังแห่งภูมิจิตของเราที่เป็นอยู่ในขั้นนั้นแม้ผู้ค้านแต่มันก็มีความเลื่อมใสไม่ล้มลุกความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานไม่ลงท่านก็คงเห็นที่ไม่พูดตอบอยู่หนาวท่าัน การผู้หักที่แรกมันต้องมีร่มุคู่คราแต่ความพยายามเป็นของสําคัญนะจะให้เกิดความนี้ถึงนานไปได้เพราะความพยายามไม่หยุดไม่ถอยเลื่อมานไปอีกอเล่าเรื่องท่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมีหมดหลุดพ้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดละออทีเดียวางานที่เขียนนั่นเองผิดมันหมองเกิ่วเฉยกันวายาเขียนตอนนั้นเนะี่เราเกิดความอัศจรรย์ ท่านอยู่ต้นไม้ต้นเดียวแต่เราลืมที่ต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นอะไรท่านอาจจะเล่าให้ฟั ง, งชื่อของต้นไม้แต่เรามันรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปรากฏว่าจาได้เลยว่ า, ท, าท่านได้เล่าให้ฟังแต่เราจำไม่ได้อย่างนี้เราไม่ปรากฏเลยทัาอยู่ไม้ต้นเดียวดดดยวกลางวันทัานเคยภาวนาที่นั่นมันอยู่ดูเป็นและขนาดมันว่าเป็นเป็นกลางหินดานหินพรานหินดาน กางวันทั้งกับนั่งภานาอยู่นั้ น, พนนะเพราะไม้ต้นนั้นร่มดีเย็นร่มหนานะแล้วอยู่ต้นเดีย ว, ว, ยวพื้นที่ก็เหมาะสมด้วยแล้วกลางคืนก็ไปภาวนาที่นั่นทันนสบายนะพิจารณาเรื่องวิชานี่แหลนะสุดท้ายมันต้องลงมหาวิชาปัิญาเนี่ยไม่ไปที่อื่นเพราะนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งวมลวลมารวมตัวอย่างไร ผู้พิจารณาท่านทั้งหลายเมื่อวารสุดท้ายจะต้องเข้าถึงอวิชชาปฏิยาโดยหลักธรรมชาติจะหนีไปไม่พ้นพอะไล่เข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปมันมันก็ลงถึงก้นบ่อแล้วบ่อแห้งที่เหล่นไปอยู่ที่ตรงนั้นพลาดันกันจะบ้านขึ้นแบบขึ้นมาที่จิเล่านาจะจานออกรงนั้นก็พูดถึงพวกเทพ โอ้ท่านพิสดารท่านชนานาญมากจริงๆเรื่องเทพรู้สึกว่าท่านทํานาญมากเข้าจิตไม่เข้าจิตก็รู้ขนาด น, นั้นอย่างพวกเทพจะมาวันไหนคืนไหนท่านรู้ไว้แล้วนะบางวันผเดินโยกรมก็พักอย่างวันต้องวันโยดาจะมาอะไรเวลาเท่านั้นท่านราบไวแล้วนะนั่นววนะนะงฟังเลปกติท่านชาบไว้แล้วเท่านั้น ว่าพิพาพวกนั้นจะมาเมรังพวกนั้นจะมาเมลังท่านทราบอยู่นะนั่นจีต้องท่านกับพวกนี้ประสานกันได้ดีท่านคล่องแคล่วทันหมดรู้หมดโน้นตอนผ่านไปแล้วทัานถึงรอครับเมื่อคืนท่านดคงโกมั้งนขึ้นตะวันทั้งหมดพอพวกเทศจะมางั้นเราควรจะพักกก่อนเพราะถ้าจะรอไปโน้นก็รู้สึกเหนื่อยไากขันต้องพักก่อนพอ สุขควรใกล้เวลาแล้วค่อยลุกขึน้นล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าขี่แล้วพอนะขอะสุขควรแล้วแล้วก็ถอยกลิ่นมาดูกันว่าพอพวกเทพมาแล้วก็ทราบวเข้ามาแล้วนั่งพร้อมกันอยู่หมดแล้วถ้าเขายังไม่มาเขเข้ามาก็ไม่มีเลยเพราะเขาอิ่งเกินไป บางทีกําลังหลั่งไหลมามีหัวหน้ามาหรหัวหน้าผู้ประกาศพวกนั้นอะไรๆก็มีข้อความใจอะไรก็พู้ของหัวหน้าหัวหน้าคนเดียวเท่านั้นแหลนรู้สึกว่ามันคล่องแค่วมาในเรื่องพกเทศอย่ที่ไหนตรงไหนมีเทศเพี้ยนลู ก, กเทศนี่ท่านก็รู้มันอกีบอกพรามาไปทําช่วงทาำแต่แต่ กนั่นเทพเยอะมากเลนั่นน่ะนี่ยังเทพมาทางนี้นะบอกยาไปทางอะไรม่นะพวกเทพมามาทางด้านนี้นี่ถึงโลกเทพบอกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็บอกอย่าไปทาช่วมทาอะไรเพราะส้วมอมตานขุดหลุมไปเลยใช่แตขุดมีคนขุดให้ขุดไม่ขุดก็ลงในชอบนี้งอะไท่านเตือนท่านเตือนไม่หมด ตลอดถึงาจะทงเกจเท้าสกปรครบุงรังมันบอกแล้วเวลาเจ็บเรียร้อยแล้วซักทำสกปกให้สักตแล้วซักแล้วเก็ไวเรียบร้อยแม้ไม่ได้ซักก็ตากตากแห้งแล้วเอามาเก็บไว้เรียบร้อยพบเทพกําหนัฟันะงดิวางอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะมันถูกของเขาศาสนาเป็นของสะอาด่ยบของฝากนของซึ้นามเป็นของมี คนมีระเบียบราทำแบบของสี่ถึง้าในลักษณะที่เกียจไม่ใช่เรื่องศานาเขาต้องมีถูกของเขาผ้านอนผ้าคล้องร้าคลอแค่นี่ก็ยังนำมาฟ้องท่านท่านเคเตือนพระเวลาพูดกรขทำท่านบอกคนตายว่าหลับบนสุดวิสัยเราจะให้ทำยังไงเ่าก็มีการระมัดระวังบ้างอาจะดีกว่นั้นนะวนี่เขายังมีข้อแก้เรื่เตือนเตือนพระ ย่านไหนที่เขาจะมาพระควรจะทํำยังไงเตือนเป็นความฉลาดมากความทำนิทำลานคล่องแค่ว่างไวมากหย่อลงเทยียนอันค่องแค่วมากเลยไม่มีอะไรมีอากาศริยาที่อืธธาทกสถานเป็นความที่ว่าเคยคิดเหมือนเราไปเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเราเรานําเรื่องที่เราไปเห็นด้วยตาได้หูมาพูดเราธรรมดาเนี่ยไม่คิดอะไรกัน แต่การพูดในเรื่องพวกแบบนี้ท่านมัตตพนนนนนุนในนที่จงนุ่สนะไม่พูดจะพูดเพียงสององค์สามองค์คือเวลาไว้อยู่กับท่านมืเสร็จวไว้ท่านนี้นักคุยสมากันไปท่านพูดอย่างนั้นนี้แต่ก็ไปสัมผัสไม่ใช่ท่านตั้งหน้าตังตาจะพูดเลยแต่นั่นก็ออเลยเราอยากฟังก็หาบแทรกไปถามอันนี้เรีการเรียนถามทัท่านอธิบายให้ั เราการเรีนถามอย่างไรตั้งไม่มีแล้วเนื่งจะอั้นเพราะท่านรู้ได้หมดแล้วนี่เรื่องของตั้งใจนนะั่งถึงเป็นหลักเป็นเกณฑ์สาคัญเก็บบรรดานลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายท่านพยายามทําตัวเป็นตัวอย่างแม้ท่านจะเข้าแก่ชราแล้วท่นยานก็ยังไม่ละปฏิปทาของท่านความไม่ละปฏิปทานะั้นหนึ่งก็คงเป็นเหมือนขพระกัตถะวาการเคยทําอย่างนี้ครสทำอย่างนี้ดูไปมันรู้สึกสะดวกสบายดี ยังทพุทธเจ้ารับสั่งว่าระกษัตริย์อ้ยเธอแก่แล้วอายุกุณดาวข <é> um, mm ้าวเดียวกันกับเราพะายัมสองมือบ้างกว่าก็ได้เลยถ้าเขเป็นพะบาทบ้างก็ได้หรือค้าเดี๋ยวัาเรื่งค่าบางสกุลคือถือค่าปฏิบิวนะท่านบอกท่านเหมาะกับพระยาใสของท่านแล้วหมาก่านทงเขไม่ว่าอะไร ท่นนานรับสั่งว่าอะไรต่อีกไม่ค้านเพราะมันเหมาะกับเทียสัยแต่ฉนันท่านจันม่นหนึ่งเป็นความเหมาะเทียสัยขท่านที่ท่านเป็นคนนิสัยเด็ดเดียวเคร่งคัดอาหารมาดั้งเดิมแลวนอกจากนั้นมีผู้ศรีปราชญ์้ามาเกี่ยวข้องมากผู้ที่จะคอยยึดเ อ, อมามตขอต่างๆตท้ า, า, า, ามันมีอยู่เยอะทบเขมงวดกวดขันมีอสุดท่านเก็บ้าเกาจะเอาน้ามาค้าไปจานทานฟังการเปลี่ยนท่าน ง, างนานไม่ยอม พยันพยออยากให้านฉันพรามรู้เรื่องอะไรของั่านเวลาท่านว่ามาเนี่โหเจ็บงานมายก็มีแล้วุณานไม่ฉันไฉันทำไมฉันเอาข้าไม่มตายแล้วก็จะฉานมันจะตายเห็นเหนื่อยเห็นเียเห็นจเป็นจะตายพอที่จะฉันน้ามะพร้าวผู้ที่คอยจะยึดเอาจิิงต่ำแบบของทิ้งนี่ ขนาดนั้นท่านยังไมละความสงศารดังนั้นตรงดับบินกราบะเข้าถึงหมู่บ้านไม่ได้เขาก็มาดักแต่กลางทางเลื่อยมาหดเข้ามาหดเข้ามาจนถึงประตูวัดหดเข้ามาจกระทั่งบินธราบบนกลาแม่ฉั่วงหูเพือนอยู่นะบินกมาบะไปเดินดีกระบะบนรลาเขาสบาดบนกรลาเดินดีกาะบบนกรลาท่านนักบุญจ๋งแมาฉันร่วม มันได้ลูกศิษดึมาจนกรทั่งไปไม่ได้ถึงไม่อาอาหารไม่ถวายท่านที่กุฏิแต่ตลงขนาดนั้นแล้วก็ทันไม่ได้แล้วอย่างว่ามีแต่น้ำมาอะไรชุดนี้นี่หน่อยเลยแต่เรานี่เป็นตัวการเพราะตอนนั้นใครจะมาถือเป็นัเป็นตัวอย่างไปยึดเอาตัวอย่า ง, ขงเขาจากท่านได้ยังไงเราก็กราบเยิยนท่านถ้าผลเกี่ยวข้องท่านมีเท่าไหร่เวลา อะไรๆพวกผมก็ข้างเหมืนอะไรชอบค น, นมันมีายาะไรพอที่จะพูดจะเถียงท่านได้หมดแหละตามนิสัยของเราด้วยความสนิทใจกัานสนิทใจในท่านความรากักความจงรักภักดีความรากักความพารับเื่งใสมันกลมคลืนเป็นอันเดียวกันพูดอะไรออกมาถึงจะมีการโต้การตอบการถกการเถียงกับา น, นบ้านกับท่านมันก็เหมือนกับเราว่าปากว่าให้หูเราฟัง อ, อุบเหมือน ว่าปากเราพูดออกไปเพื่อหูคนอื่นฟังนี่พูดกระแทกอาจารย์นั่นก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงท่านว่าให้เราว่าไงไงก็เหมือนถาท่านว่าให้หูท่านฟังเราเขไม่ถือเราไม่สนใจเพราะหลักใหญ่ของเรามุ่งมินนีอยู่โน้นยังไม่ยึดเลยเป็นอารมณ์ถึงท่านจะดุขนาดไหนหดุมากดุผมเดี๋ยวกัเรื่องอาหารกัรกินก็ผมก็อยากท่านทำยังคิดให้ท่านัำวิธีนั้นให้ท่านทำวิธีนี้ เราก็ทราบแล้วเกี่ยวกเรื่องน้มามอกเ้าวแต่เราก็รีบกราบเยียมท่ยานทุกอย่งางใครจะมาถือตัวอย่างท่านใจนี่มันก็เทวเทัศน์มันออกงี้เลยก็มีพวกเทวทัศน์วางนั่นท่านชนต้อ ง, งอะไรบ้างคมแขนไม่ได้ขนาดบินสมบัติไม่ได้จะแขนเอาอะไรมาแขนได้หนึเดียวเท่านั้นนะทําไม่ใช่หนี่นะได้ไม่ได้ก็เท่านั้นล่ะช่อนสองช้อนสามช้อนก็เท่านั้น อย่างนั้นแล้วยู่เลยมนะ่อนกใครเอาไปยุ่งไม่ได้เป็นนั้นว่าผ่านไปเลยนี่คือปฏิปทาของจอมปราบในสมัยปัจจุบันปฏิปทาของท่านผู้วิเศษท่านไม่ละล้วนลายไม่ทิ้งล้วนลายของท่านเราเป็นลูกศิษย์วิวายการที่มีครูสอนให้พยายามทําความเกี่ยวอาหารต่อประเ่็นเสมออยากให้สิ่งใดแซงหน้าทำแต่ไดนะ้ให้ทําแซงสิ่งทั้งหลายไปเสมอ คือว่าิเลสแล้วพยายามให้ทำเสรจอย่าให้กิเลแสแตงทําเหน่อยวินงด้วยปากด้วยความอยากความคือทยานความไม่รู้รู้ตัวความเพ้อเหล่เหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวลืมตายอย่านํามาใช้ในวงปฏิบัติของเราที่เห็นว่าการเรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเราจะทายังไงการเสริมคุณค่าของตนให้ยิ่งลิ่งไปถ้าไม่ดําเนินด้วยการปฏิบัติ ปฏิบัติธรที่เดียวๆอานหานต่อสู้กับอกเอเธ็ทูริยะไปแล้วไม่เรียกมาเป็นผู้ต้องการทำขั้นสูงหรือผู้ต้องการหวังความเป็นซึ่มอมงคลความรื่นเริมันจุกความเป็นหลักฐาน่ในใจของต น, นพยายามแล้วผลนิพพานคอยอยู่เสมออยู่ที่ใจน่นแห เราจะไปคิดว่าการนุ่นฐานที่นี่พระพุทธเจ้ า, าผ่านานานแล้วได้สองพันห้ารปีนิพพานเมืองเบียกุสินารากุสินารา น, นั้นนนั้นเป็นการเป็ิฐานที่เป็นสมมติอันหนึ่งแม่มาผุนิพพานท่านพระสาวว่าทั้งหลายบรรลุพระพุทธเจ้าทรงมาพระพุทธจาแต่จรู้สาวว่าทั้งหลายบรรลุธรรม ดูที่นําที่มีตั้งแต่สมยัยนนั่นก็เป็นการเป็นฐานที่หลักใหญ่จริงๆบรรลุเพราะอะไรตัดสลุ้พราะอะไรเพราะมัจจิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็มัจจิมาปฏิปทาในหลักธรรมชาติที่เหมาะสมควรตัดสรูท้ทาได้เพราะตัดสรู้ได้ด้วยมัจจิมาในหลักธรรมชาติอันดาพระสงฆ์สาวกที่ได ย, ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้า แสดงโดยความเป็นจอมปล่ า, างนีน้ยิ่งจะเอาแต่เนื้อเนื้อมาแสดงเ้ผู้ฟังก็ฟังแต่เนื้อเือด้วยความสนใจแค่ทำเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งจริงจริงปรากฏขึ้นไม่ง่าเพราะความทุ่มเทกาลังทุกส่วนเพื่อทำทั้งนั้นไมไ่มีอะไรที่จะหลแทรกเข้ามาเป็นของจอมปรอมเราเห็นในประวัติสาวประวัติก็ดีพ ร, พ, รพระประวัติพร่เจ้าก็ดี ออกมาจากระกุลใดบ้างปีนาซีพระามาหาษัตว์ไม่ทราบว่าวกี่องศ์เศรษฐีกุดุมพีพระมหัศวเท่าจํานวนเท่าไรหัวข้าประชาชนคนธรรมดาแล้ว เ, เหตุใดเวลาฟังธรรมของพระพุทธจ้าเนี่ยไดบรบรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลธรรมความมลุเหล่านั้นอนะ่ะเพราะอะไรก็คือเพราะมัชฌิมาปฏิบัติปัฏานนั่นเอง ไม่ใช่เพราะการนั้นสถานที่นี่การเป็นนั่นเป็นการาหา่าสถานที่เป็นสถานที่ทงา่าแต่มัจมาปฏิปทานี้อยู่กับใจและทุกคนยดอยู่ที่ใจอ่าแก่ลงที่นี่มัจมาปฏิปทาเอาให้เข้มแข็งตามหลักปู่เจ้าทรงสอนเลยแล้วเวลาจะไปนิพพานก็ได้รับสั่งไว้อย่างถูกต้องตายตัวแล้วไม่มีข้อใดที่จะ้านได้แม้แต่น้อย นัวว่นาและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนไปตั้งหลายมื่อเราผ่านไปแล้วนี่ตังนี่ทาวินัยก็คือทางดำเนินเครื่องมือบุกเปิกฟากปันหั น, นแหลกที่เหลือจะไม่รวมเข้าอยู่ในมัจจิมาจะเรียกว่าอย่างไงศีล ส, สมาธิปัญญานะมัจจิมาปฏิบตาสลุกยอดทั้งนั้นคือศีลสมาธิปัญญาไปอยู่ในนั้นหมด แต่เอานี้่นี่เขามาแก้กิเลสเราอย่าไปเอาการสถานที่มาแก้กิอไม่ได้ผลเป็นเกิดปัญญาอารมณ์พระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วสิ้นเกจสิ้นสมัยหมดมรรคผลนิพพานมันโมเขา้าผู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดไม่ใช่สาวกอรหรันลหันผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้พูดคนโง่เขาเบอกอัญญาคน มืดดำคําตาพูดตรงนั้เราจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นแสดงเป็นทีดีตของใจถ้าไม่เอาจอมปากคือพระพุทธธรรมธรรมคันธรรมนานสามีเลยส์เอาและเอาคนตาบอดมันก็เป็นแสดงไปสานีเรามันก็บอดด้วยไปเลยสิมันก็คํานึงตรงนั้นยาจะไปที่อื่นทีฟาดมันลงไปนี่เลยมันไม่ยกทับมาจากไหนมันอยู่ที่หัวใจติปัญญาศรัทธาความเพียร ม, มีให้เร่งลงไปเอเป็นก็เป็นตายก็ต า, กกายโลกเกิดขึ้นมามัน เรารับปา่าช้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนป่าช้าเต็มตัวของเร า, ร า, เเราทุกคนในหมากรุกประเทศใดชาติช่านมันน่งไ ด, ด้สดชื่งเสริมกันไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะตายมีปา่าช้าเต็มตัวด้วยกันในขณะที่ยังพอเป็นไปได้ทดําได้อยู่เวลานี้อย่านอนใจนพยายามประกอบความปรับเปี่ยนอยากเห็นสิ่งใดงานใดเป็นงานสัาพันธ์ยิ่งกว่า งานเดินจรโคลงนั่งสมาธิภาวนาอยากเห็นสมบัติใดวาเป็นของน้ำเลิอประเกิดยิ่งกว่ามารรคนิทานอยากเห็นความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความหลุดพ้นจากวิริยตุลประการทั้งปวงนี่เป็นยอดถันขอให้ท่านทั้งหลายนำไปยิ่งขึ้นมาอย่าลดละความเปลี่ยนเอาให้ถึงใจนิเทศเทิดยงถึงใจับผู้ฟัง ก็ฟังให้ถึงใจเพราะเทศทําไมทุกวัฒนเทศอย่างถึงจากถึงใจเจ้าของโดยด้วยความเมตตาสงสารหนุ่มเพื่อนโดยน้ําใจจริงๆไม่ได้สับแต่วัฒน์เทศไม่ได้สับแต่ว่ามาประชุมนี่เฉยรับหมู่เพื่อนไว้ก็ไม่ได้รับไว้ศับแต่วา ร, รับไว้ด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงหมู่มองดูหมู่เพื่อนดูทุกทุกระยะในอากาศปิยาทั้งการแสดงออทางวาจา และกิยามายาที่แสดงออกเป็นยังไงขัดข้องกับหลังทำนี่นหบทไหนบทไหนบทไหนดูเสมอเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะคอยเตือนเสมอหมู่เพื่อนของมหาอาจารย์ยมีพันเตอโหอันนี้ก็บอกโอบายกังปฏิรูปังรับกันแล้วด้วยเหตุผ ล, ล้วจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มผูม ะ, ะท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่นอนฟนัง